ซส <47 S 2> เจนการเตรียมตัวเดินทางฟนัทฟลท த ิยดคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว น, ตตนัเฟตตย์นีอดุกเบนด์ม อย่าลืมอะไรนะเยดายม์มาร์กาเดยคุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่อุนักกเปรียเปตติเเวยอย่าลืมหนังสือเดินทางนะอุนนูดยพ์พาสปอร์ตตยมารันดิวิดาเดยอย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ อ ன ் ன ு ட ைย டிக்கெட்டை மறந்துவிடாதே อย่าลืมเช็คเดินทางนะ உ ன ் ன นะ ட ை ய பயணர் காசோலைகளை ம เอ் த า வ ி ட ா த ேเอาครีมซันแทนไปด้วยนะอุณหะดั்ซันสคร லோஷன் எ ட ுเอ த ு க ் க ொ ள ்เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะคูลิงก எடுத்துக்கொள் เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะวันนู้นเฟรียตโตปี้ยัดถุกคุลคุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมวารีปัมยัยดถุกคุลฮิรายะคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมพายเนียร์ไคเยดยัดถุกคุลฮิรายะคุณจะเอาร่มไปด้วยไหม ย อ, ายาอย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะนิ้วบั้งหมาก pant เมลซัตเตย์ม ர ை எ ட ுร் த อ க ் க ொ ள ์อย่าลืมเน็คไทเข็มขดัดและเสื้อนอกนะนิ้วบั้งหมาก belt มัตทร์ร์สปอร์ตส์แจ எ ட ு த ் த ு க ் க ล ள ் อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะเนื้อบะกมอกพันจาม உ ட ร ம ற อุுด்อ์มั்รุมทิชชู่อิดทุกคุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูทอุนักก์คอลนี่แซนเดิลส์มัทรุมบูทส์เวนดี้อิดกุ๊ม คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกันไกยตัดเล็บคุณต้องใช้วีแปลงสีฟันและยาสีฟันคุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟัน